คำถามนี้ไหมว่าทําไมเราควรสนใจธรรมะหรือว่าควรจะปฏิบัติธรรมคาตอบหรือเหตุผลนี่มีมากมายนะแต่ในทศนะอัตของอตมานี่เหตุผลหนึ่งที่เราควรสนใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็คือว่า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 ไม่ค่อยแทนที่จะรีบถอนจิตออกมาจากไฟโถสะนี้กับนะกับจมนะอยู่กับไฟนั้นความเศร้าเสยียใจก็เหมือนกันฉนะนั้นที่ความเศร้านี่มันก็ไม่ได้เป็นคุณกับใครเลยแต่ทําไมเราถึงจับประคับประคองนะปกป้องมมันเอาไว้ บางทีก็ให้เหตุผลด้วยนะว่าเราควรจะเศร้านะเพราะว่าคนรักของเราจากไปแล้วถ้าเราไม่เศร้าก็แสดงว่าเราไม่รักเขานะการแสดงความรักก็คือต้องเศร้าหรือว่าต้องทำ้ายตัวเอง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 เกือบจะถอดใจอยู่แล้วเนะสร็จแล้วก็เกิดได้คิดขึ้นมาก็เลยถามผู้หญิงว่าไหนช่วยเล่าประวัติให้ฟังหน่อยเธนะอก็เล่าว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ก็มีพี่สาวสองคนดูแลแต่เวลาพูดถึงพี่สาวนี่ก็แสดงอาการโกรธแนะสดงความโกรธอย่างเห็นได้ชัด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 เราปล่อยให้เสียทั้งใจเสียทั้งสุขภาพเสียทั้งงานเสียทั้งสมรรถภาพคนอื่นเนี่ยทาได้แต่โกงเงินเราไปแต่ก็ไม่สามารถทําให้เราใจเราทำให้ใจเราเสียทําให้สุขภาพเราเสียงานเราเสียแล้วก็สมันธภาพเสียไปไม่มีนะเขาทําไม่ได้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 หรือแม่ไปฉวยยึดอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมาทำร้ายตัวเองต้องเรียกว่าช่วยยึดนะเพราะว่าบางทีมันก็ผ่านไปแล้วนะแต่ก็ไปคิดนะไปเอาเรื่องที่ผ่านไปแล้วเนี่มารบกวนจิตใจบางทีเรื่องยังไม่เกิดขึ้นก็ไปช่วยมาอย่างบางคนเนี่ยก็กาลังทุกข์นะ กังวลว่าลูกเนี่ยจะสอบเข้ามาาหาทลัยได้ไหมทั้งๆ ท, ที่มาอีกต้องหลายเดือนอีกต้องเจ็เดือนแต่ว่าก็ทุกไปก่อนแล้วเพราะว่าปรุงแต่งว่าเนี่ยลูกอาจจะสอบเข้าไม่ได้แล้วตัวเองทุกเพราะความกังวลก็ยังไม่รู้ตัวนะก็ยังจมอยู่กับความกังวล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 ไปทรมานตนอย่างพวกฤาษีชีภัยสมัยพุทธกาลแต่บางทีอันนั้นมันเป็นเรื่องการเอาทุกทางกายมาซ้ำเติมตัวเองแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้เอาทุกทางกายเร า, เาทุกทางใจมาทับถมตัวเองแทนที่จะเสียแค่หนึ่งก็เสีย2เสีย3เสียสีแทนที่จะป่วยกายก็ป่วยใจสุขภาพใจก็แย่ความสัมพันธ์ก็เสื่อมทรม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 อ่ะแล้วก็คำนี้ก็พูดเท่า น, นี้นะการควบคมกัน